เสียงอ่านหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งโดยพรรัตนสุวรรณอ่านโดยโจโฉจากใจผู้อ่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณ เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะท่านหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากนักและปัจจุบันท่านก็ได้จากโลกนี้ไปสู่โลกทิพย์หลายปีมาแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกปรัชญาและศาสตร์ต่างๆรวมถึงปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามาเป็นเวลานานเป็นผู้ก่อตั้งสานักค้นคว้าทางวิญญาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สน และรรมาวิจัยซึ่งอยู่ในวัดมหาธาตุเป็นครูผู้ถวายความรู้แด่พระภิกษุและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในหลายๆที่เช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลงานหนังสือหลากหลายแนวทางมากมายเหมาะสมกับกลุ่มคนต่างๆกันไปมีทั้งเบื้องต้นภาษาง่ายๆเหมาะกับคนทั่วไปหรือตำราสาหรับผู้ต้องการศึกษาอย่างละเอียดอย่างพระอภิธรรม และอย่างครอบคลุมไปถึงงานเขียนในแง่าการปฏิบัติสมาธิและวิปัสนาเนื่องจากท่านได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงเข้าใจในปรัชญาและศาสตร์อื่นๆ อ, อย่างกว้างขวางดังนั้นงานของท่านจึงละเอียดเข้าใจง่ายลึกซึ้งและมีการตีความอธิบายความหมายในแต่ละข้อธรรมได้อย่างชัดเจนรวมถึงเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถือ งานเขียนจำนวนหนึ่งของอาจารย์พรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายนารกสวรรค์ผีสางเทวดากดแห่งกรรมหลายท่านอาจจะคิดว่าแนาวทางนี้มีตําราเยอะแล้วมีคนเขียนเยอะแต่ผมก็อยากให้ลองพิสูจน์นะครับการอธิบายธรรมะในรูปแบบของอาจารย์พรว่าต่างกับที่อื่นอย่างไรเรื่องจำพวกนี้อาจมีตาราและเรื่องเล่ากันเยอะ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังขาดการอธิบายที่แจ่มชัดขาดเหตุผลประกอบหลายคนเลยนะครับที่แอนตี้เรื่องพวกนี้ว่าไร้สาระไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนผมก็อยากให้เปิดใจลองฟังกันนะครับว่ามันไร้สาระจริงหรือไม่งานเขียนลายชิ้นของอาจารย์พรท่านยกคำพีและเหตุผลต่างๆมาประกอบให้ฟังอย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างไรที่ควรจะรู้เรื่องพวกนี้ไว้บ้าง เป็นเรื่องที่ควรรู้สำหรับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งอาจไม่ใช่ทุกคนหลากหลายเหตุผลที่อาจารย์พรยกมาอ้างให้ฟังล้วนน่าเชื่อถือว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องนำมาสอนอย่างไรทั้งพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่ามีจริงก็ไม่สามารถเอาดีหรือบรรลุธรรมได้พระองค์จะไม่ปฏิญาณเลยว่าได้ตรัสสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าไม่รู้แจ้งในเรื่องของโอปปปาติกะทั้งหมดยังรวมไปถึงอนุปุภพภีกะถาคือการเทศนาเริ่มตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกไปจัดกามโดยลำดับเพราะคนส่วนใหญ่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับการที่ไม่ยอมสอนปล่อยให้เรียนรู้กันเองหรือสอนกันผิดๆก็ทำให้คนส่วนใหญ่งมงายนับถือเครื่องรางของขลัง บูชาพูดผีปีศาจเชื่อโชคลางอ้อนวอนขอพร อ, อะไรตามเรื่องแล้วก็ทำให้เข้าใจในเรื่องบุญบาปแบบผิดๆการศึกษาเรื่องพวกนี้แบบถูกทางจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของวิบากเข้าใจถึงต้นตอของผู้สร้างสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอต้องเป็นในปัจจุบันและอนาคตเหมือนเรียนรู้ว่าเชื้อโรคอันไหนทาให้ป่วยการกินอาหารแบบไหนทาให้แข็งแรงนะฮะได้รู้กระจ่างว่า การทำดีได้ดีอย่างไรทำชั่วได้ชั่วอย่างไรบาปจริงๆน่ากลัวกว่าที่คิดแค่ไหนทำให้ปล่อยวางการยึดถือตัวตนได้ง่ายขึ้นแม้แต่ท่านเสถียรโพธินันธะผู้ที่ได้รับฉายาว่าพระไตปิฎกเคลื่อนที่นะครับ <c oughs> ก็ยังกล่าวไว้ประมาณว่าเรื่องพวกเนี้ยจำเป็นต้องสอน แต่คนบางกลุ่มก็นำเอาเพียงบางประโยคหรือบางจุดในพระคำพีมาตีความและถือเป็นหลักสําคัญทั้งๆ ท, ที่ประโยคที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ต้องสอนนั้นท่านตรัสกับคนบางคนเท่านั้นเพราะพวกนั้นเป็นพวกมีทิฏฐิแรงแล้วแก้ยากตรัสเล่าไปก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าเจอคนที่เหมาะสมพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องพวกนี้ไว้อย่างมากมายจนเกลื่อนพระไตรปิฎกไปหมด สำหรับคนที่ชอบพูดว่าพระไตรปิฎกมีการบิดเบือนหรือเสริมแต่งเติมไปนั้นพวกที่พูดอย่างเนี้หลายคนเลยนะครับที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยด้วยซ้ําหรืออ่านก็อ่านไม่จบแต่ก็กล้าวิจารณ์ว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้อ้างว่าเวลาผ่านมาหลายร้อยปีจํำกันได้ยังไงสืบต่อมาไม่คล้ายเคลื่อนหรือไงบุคคลประเภทนี้เป็นประเภทที่เอาสามัญสำนึกของตัวเองเป็นแกาของโลกนะคือตัวเองโง่ก็คิดว่าคนอื่นจะโง่ไปด้วย ทั้งที่ปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าระในพม่าหลายรูปสามารถจำพระไตรปิฎดดกได้โดยไม่ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวจะเป็นนับอะไรกับพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลที่ท่านทรงอภิญญาและสติสมบูรณ์ในสมัยนี้นะครับมีสกักิคนที่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงและเชื่อจริงๆเข้าใจจริงๆว่ามันมีจริงอย่างไรมีครูผู้ที่สอนศาสนาสกักกคน ที่ยืนยันได้ว่านารกสวรร์มีจริงและอธิบายได้เข้าใจจริงๆว่ามันมีจริงอย่างไรในเมื่อยังไม่เชื่อไม่เข้าใจและถฐานจริงๆว่ามันจะเต็มใจทาดีละบาปกันได้จริงๆหรือเปล่าทำดีแล้วผลดียังไม่ปรากฏให้เห็นมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบาปความจริงๆจะอดทนทําดีต่อไปได้ อ, อย่างมั่นคงหรือเปล่า สำหรับเรื่องแววเสียงสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของโอปปปาติกะล้วนๆซึ่งเป็นการตอบปัญหาด้วยเหล่าโอปปปาติกะจากชั้นเทพเจ้าและเทวดาต่างๆที่มาเข้าทรงคำตอบน่าเชื่อถือเพียงใดท่านผู้ฟังก็ฟังและคิดเอาเองนะครับการจะเชื่ออะไรคนที่ฉลาดจริงๆอ่ะเขาต้องฟังและคิดไม่ควรด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธโอปปาติกะ คือหนึ่งในกําเนิดสี่อย่างเป็นสัตว์ประเภทที่ผุดเกิดทันทีที่เรารู้จักกันในชื่อผีสางเทวดาพรมเปรตมีหลายภูมินะครับแต่รวมๆกันเรียกว่าออปปาติกะมีสภาพแตกต่างกันไปสวยงามน่าเกลียดมีสุขมีทุกข์ตามบุญและบาปที่สะสมไว้ในวิญญาณของแต่ละคนวิธีฟังหรืออ่านอะไรก็ตามนะครับอยากแนะนานิดนึงว่าอย่าพยายามเข้าใจ ฟังเล่นๆฟังผ่านๆอะไรไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังหรืออ่านทวนโดยเฉพาะภาษาบาลีนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจผ่านๆไปก่อนเอาแต่เนื้อความหลักๆมันจะคล้ายกับภาษาอังกฤษนะครับที่เราอาจจะไม่รู้คําแปลแต่ถ้าเราฟังเขาพูดกันบ่อยๆมันก็จะพอตีความหรือเดาความหมายได้เองการฟังอะไรแบบสบายๆโดยที่เราไม่ไปจริงจังเกินไปนะฮะ มันจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าที่เราคิดอีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจธรรมะและเสียงอ่านอื่นๆนะฮะติดตามได้ที่ d igetweb com d i g e t w e b com หรือพิมพ์คำว่ารวมเสียงธรรมในช่องเซิร์ชได้เลยนะครับเป็นเว็บที่ผมทำไว้ให้ดาวน์โหลดธรรมะฟรีนะฮะมีหลากหลายแนวาทางทั้งเสียงเทศเสียงอ่านหนังสือเพลงธรรมะเสียงสดมน สำหรับงานเสียงอ่านในสไตล์ผมก็ติดตามได้ทคนิคเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจธรรมะแบบทันสมัยเรียบง่ายผมอยากแนะนําให้ลองไปฟังหรืออ่านงานของพระอาจารย์ปราโมดปราโมชโชและคุณดังตรินนะครับมีให้โหลดฟรีในเว็บรวมเสียงธรรมเช่นเดียวกันพระอาจารย์ปราโมจะเป็นสายดูจิตนะฮะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ง่ายมากๆระดับทุกได้ทันใจใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกอิรยาบททุกอาชีพทุกเพศทุกวัย ท่านสอนละเอียดมากแล้วก็ภาษาทันสมัยเข้าใจง่ายเป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าอยากแนะนำให้ไปฟังแล้วท่านจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมแบบถูกทางจริงๆแล้วตรงสรั้นกระชับเป็นอย่างไรส่วนงานของคุณดังตรินก็จะมีหลากหลายทั้งคำถามตอบปัญหากรรมผีสางทเท ว, วดานิยายธรรมะที่สนุกมากตอนนี้ก็มีเป็นกระตูลแล้วนะครับสหรับนิยายธรรมะของคุณดังตริน รวมถึงบทความต่างๆที่นำธรรมะมาย่อยง่ายใช้ภาษาทันสมัยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินงานเขียนของคุณดังตรินที่ติดอันดับขายดีหลายปีซ้อนนะฮะอย่างหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านสำหรับผมนะครับแค่สามท่านนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับแนวทางเพื่อผู้มาใหม่ที่จะไปให้ถึงที่สุดทางแห่งทุกเสยงอ่านที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้นะครับสามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นถ้าเห็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับปัจจุบันอาจารย์พรได้จากพวกเราไปสู่โลกทิพย์แล้วแต่ก็มีคุณสีเพนจตุทัศศีดูแลงานทั้งหมดแทนท่านท่านที่สนใจหนังสืออื่นๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณก็ลองติดต่อไปที่022822025นะครับ กราบขอบพระคุณคุณสวัสดิ์และคุณพงเพชรมอมรสิทธิ์ที่เอื้อเฟื้อส่งต้นฉบับมาให้อ่านอัดเสียงนะครับขอบุญกุศลที่เกิดในครั้งนี้บูชาคุณพระรัตนไรและอาจารย์พรรัตนสุวรรณรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท, ท่านขอทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาสัพพทานังธรรมทานังชินาติการใหธรรมะชนะการใหทั้งปวงเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ 27่กุมภาพันธ์พุทธศักราช่องามามาพังนหาทห ท, า ท, ที่เเห็็นนป้าร้อยห้าสิบเอ็น